ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเหมือนกันกับความเปลี่ยนแปลงของลูกเหล่านี้เองเกิดมาจากท้องแม่มามันเป็นตัวเล็กเล็กนานขึ้นมาก็โตขึ้นโตขึ้นโตถึงที่แล้วก็สุดไปสุดไปตายเนาเข้าลงไปอันนี้ก็เหมือนกันความคิดก็เหมือนกันมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้มันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้รู้เข้ารู้เข้าความคิด มันก็ถูกหยุดเมื่อถูกหยุดแล้วความาค่าช่วงของมันมันจะจืดไปทั้งหมดเลยอันนี้ท่านจึงว่าหัดให้รู้หัดให้เห็นหัดให้เป็นหัดให้มีแต่ทางตำลับตำลาครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าหัดตายเสียคนตายแต่เมื่อยังมีลมหายใจท่านว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ตายเนาเข้าลง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 ทำปูซาพระสงฆ์ข้าเจ้าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่ากาบพระพุทธอย่าให้ไปถูกทองคํากาบพระธรรมอย่าให้ไปถูกใบลานกาบพระสงฆ์อย่าให้ไปถูกลูกผูกหลานผู้ลูกสาวบ้านทันไรกาบที่ไหนก็กาบตัวเรานี่เองเพราะคุณค่าคุณดีของขอมงามตัวเรานี่มีทุกคน